ทำอะไรก็บางทีปรารถนาอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรเนี่ยง่ายบางทีแทบไม่ต้องพูดเลยแทบไม่ต้องออกปากเลยคนนอนคนนี้ก็หามาให้แล้วอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าจะเสกจะแปงลงร่างจะทําอะไรนี่ง่ายได้มากสําหรับผู้ที่ครบพร้อมสมบูรณ์ทั้งคุณความดีทั้งมีเนี่ยมีฤทธิ์เดชมีอาดุภาพนะเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจได้เราก็จะรู้ว่าโอณตอนนี้เท้าส ก, กะแปงลงร่างเป็นลูกแพ ะ, ะเสร็จแล้วก็มาใกล้ๆหินดาดนั่นนะแล้วก็ร้องนกยางได้ยินเสียงลูกแพะร้องก็หันไปมองดูแล้วคิดว่ามีลูกแพะอยู่<อ>แต่เพียงตัวเดียวเท่านั้นตัวเล็กๆน่ารักเลือดเนื้อ เลือดเนื้อของบันคงจะหวานอ่อนนุ่มน่ากินเห็นทีเราควรจะรักษาศีลในวันอื่นเถิดเอาลนะเริ่มแล้วนะพอบอกแล้วว่าไม่เข้าไม่ไม่เข้าใจเป้าใช่ไมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ไม่รู้ว่าไอ้ตั้งตาบะเนี่ยมันเพื่ออะไรกันน่ะก็ตั้งไปตามๆทีบอกว่าเขาบอกว่าตั้งตาบะนี่ดีนะเออดีก็ดีก็ตั้งก็ตั้งอะไรเงี้ยคือคือไม่รู้เป้าหมาย นะเพราะ น, นั้นพอทนี้ภาษามาแล้วนี่ลูกแพะมามาให้ให้เป็นภาษาแล้วภาษาอันนี้เป็นภาษาในด้านไหนนะด้านอาหารการกินใช่ไหมมาแล้วคราวนี้พอเห็นก็ยังหาอาหารอะไรไม่ได้หิวด้วยอ่ะพูดง่ายเพราะพอเห็นอาหารนี้ปับ๊บเอพุ่งนี้ค่อยตั้งตะบะดีกว่านะอันนี้อาจจะมาว่าไม่ต้องนกยางหรอก นั่นเนี่ยแหละคนบอสเนี่ยแหละหลายคนเลยล่ะบางทีตั้งตะบากปั๊บเอาละบ่บางทีเนี่ยกําลังตั้งอยู่เลยนะกําลังคิดนะอกำลังคิดเลยนะกําลังแหมเดี๋ยวจะตั้งอย่างอย่างงี้พอดีเลยแหมตาแงะไปเห็นพอดีเลยนะว่้วันนี้มีอันนี้เลยเหรอเฮ้ยท่านั้นอย่าพึ่งเลย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครตั้ง <c oughs> ทันทีเลยละ่ะบางคนเนี่ยนะตอนนี้นกยางก็เป็นอย่างนั้นแหละ เสร็จใช่ไหมพอคิดอย่างนี้แล้วก็หวังจะกินแล้วสิหวังจะกินลูกแพะแล้วเร็วไวทันใจคิดนกยางรีบพุดลุกขึ้นยืนนี่แสดงว่านกยางมันคงจะตัวใหญ่พอสมควรนะน ก, นนะก็นั่นสิแสดงว่าตัวไม่ต้องใหญ่พอสมควรนะอันนี้เขาก็เปรียบลูกลูกแพะก็ตัวมันก็คงจะเล็กลูกแพะเนี่ยลุกขึ้นยืนทันทีเลยโผบินหมายฉก จับลูกแพะเอาไว้แต่ลูกแพะตัวน้อยก็วิ่งหนีรวดเร็วหลบไปทางโน้นทีหลบมาทางนี้ทีไม่ยอมให้นกยางจับได้จนกระทั่งนกยางเหนื่อยอ่อนหมดแรงต้องบินกลับมานอนพักที่หินดาดตามเดิมพร้อมกับคิดด้วยความเฉียกโกรอปอบใจตัวเองว่าตบาบะ ร, รมของเรายังไม่แตกหนอศสินของเรายังไม่ขาดหนอ เรายัางไม่ได้กินลูกแพะเลยเออถูกไหมอาส ม, มุตินะอาหารจานโปรดอยู่ข้างหน้าเราแล้วตอนแรกเราตั้งตาบ่าไว้ใช่ไหมว่าเราเราไม่กินอาหารอย่างนี้เสร็จปรากฏว่าอาหารจานโปรดเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วอยู่ข้างหน้าเราแล้วเสร็จปรากฏว่ายังไงจริงๆก็เตรียมพร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบือช้ากว่าคนอื่นเ้าเอคนอื่นเขาหยิบไปหมดซะก่อนแล้วนะจริงๆแล้วเราเนี่ยเอาแน่นอนกินแน่นอนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพูง่ายว่าเอาไม่ได้ไม่ทันคนอื่นเขาคนอื่นเขาเอาไปกินก่อนอย่างเงี้ยนกยางกําลังคิดว่าผู้ง่ายศีลยังไม่ขาดตะบะยังไม่ขาด นะบอกว่านนเนี่ยพ่ อ, พอยังไม่ยากินลูกแพะเลยอยากถามพวกเราว่าอันนี้ถูกไหมใครคิดว่าถูกไหนยกมือสิคือคิดอย่างของนกยางเนี่ยใครคิดว่าถูกยกมือสิไม่มีใครยกเลยฮะไม่ถูกติดเขาไปแล้วนะคะติดไปแล้วมันจะไม่ผสมพอสมเหตุอ้าอ้าอ้ใครคิดว่าไม่ถูกไหนยกมือสิโอโหเยอะเลยเหรอถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะมาลองถามคุณนะ สมมติคุณตั้งตาบาวาว่าไม่กินข้าวตมมัดนะ <c oughs> คุณตั้งตาบาวว่ามไม่กินข้าวตมมัดเดือนเนี่ยข้าวตมมัดก็ลําเลียงมาเรื่อยลําเลียงมาเรื่อยพอใกล้จะถึงคุณนี่นะคุณเห็นแล้วนะแล้วคุณคิดในใจคุณเลยว่าเดี๋ยวถ้ากําต้มมัดมาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาสักครึ่งซี่ก็ยังดีถ้ไม่เอาทั้งมัดะเอาครึ่งซี่ก็ยังดี <c oughs> คุณคิดไว้จริงๆแล้วคุณตั้งใจเลยแล้วจริงๆก็อาจจะอาจจะอะไรลนะ รีบรบไปนั่งให้มันต้นต้นหน่อยรีบแล้วรีบไปนั่งให้มันต้นต้นหน่อยเรียว่ามาเนี่หยิบแน่นอนเลยเสร็จแล้วปราก ฏ, ากฏว่าพอยังไม่ยันถึงเราเนี่ยคนอื่นหยิบไปซะก่อนอันนีมาถามว่านะอันนี้คล้ายๆกันนะถามว่าอย่างเงี้ยคุณผิดแตบาคุณหรื อ, อยังนะใครว่ายงางบ้างยกมือใครว่าผิดแล้วยกมือ อ๋อนี่ยังยืนยันว่าผิดแล้วใช่ไหมอันนี้ขอเหตุผลหน่อยขอฟังหน่ยอยว่ า, า, วา อ, อ, อันนั้นผิดทางใจใช่ไหมที่บอกนี่ผิดทางใจใช่ไหมอันแต่แต่มือยังไม่ผิดใช่ไหมอ่ากายไม่ผิ ด, ผดแล้วแสดงว่าถ้าตะบะขาดนี่ถือว่าเอาที่อะไรนะเอาที่ใจเลยเหรอตะบะขาดเนี่ยอ่าอ่าอ่าอันนี้เอาที่ใจเลยนะ ถ้าใจผิดนี่คือตบากขาดเลยนะเขาตั้งใจจะทเป็นี่เขาับตัวในขณะที่ตัวนั้ น, น, นอ่าอ่าอับตัวในขณะที่ว่าเออรู้สึกอ๋อถ้าคิดกับจับใจคือฟากปันใช่ไหมถ้าคิดลับใจได้ก็คือไม่ผิดใช่ไหมไม่ไม่ผิดอด่าเราคิดจะกจินมว่าเขาไปจับตัวนั้นใช่รารู้สึกตัวแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งตบาไว้แล้วเขาก็ับมานอนถ้าอย่างนี้หมายถึงว่า สมมติขาต้มมัดเนี่ยมาถึงข้างหน้ า, าแล้วละมีมาถึงเสร็จแล้วเราก็เอามือหยิบนะหยิบมาถึงก็ใส่ไว้ในกระมังเรานะเสร็จแล้วพอถึงเวลาปัจเจกเอ่อถึงเวลาพิจารณาอาหารนะกาลังหยิบจะขึ้นมากินเนี่ยบาปกลว่ากลับใจคือฟากฝังนะคิดได้เงี้ยว่าเราก็ไม่กินเนี่ยนี่ได้หยิบแล้วนะคราวนี้ไม่ใช่แค่ใจคิดนะ เขาได้หยิบมาไว้ใชามในกระลำมังเรียบร้อยเลยหยิบมาแล้วคราวนี้โอ้โ ห, โหคิดได้เอาเอาให้มันถึงถึงแกะเรียบร้อยเลยเอามาถึงปากเลยนะคราวนี้เอาให้มันถึงถึงเอามาถึงปากเลยตายนึกได้ตอนนี้พอดีเลยโอ้โหนี่ตาบ่าเรานะเดี๋ยวเราจะเสียตบ่านะวันอยากกินเลยเอาวางกับนะใครอยากกินก็เอาให้เพื่อนไปอะไรไปอย่างนี้ถือว่าตาบ่าขาดไหม เอาไม่ขาดเลยไม่ขาดค่ะเพราะยังไม่ลงมือกินเท่ตะบะตั้งที่กินแะตังที่จับอ้าวแล้วกิเดยย้อนกลับไปถามใหม่นะคันนี้ย้อนกลับไปถามใหม่ว่าเอาอย่างเงี้ยสมมติคราวนี้เนี่ยเรายังไม่หยิบยังไม่จับยังไม่แตะด้วยซ้ําไปแต่แลรกี๊เราบอกว่าเราตั้งใจไว้ละว่าเราเอาแน่นอนถูกไหมถ้ามาถึงเรานี่เราเอาแน่นนใจเนี่ยตั้งไว้แน่นอน แต่มันยังไม่มาถึงเราเลยไม่ถึงมือเราด้วยอย่างเงี้ยอาจารมาถามว่าผิดไหมหมายถึงตะบะขาดไหมนี่ย้อนกลับมาถามใหม่นะครับดูที่จะยืนยันเหมือนเดิมไหมนะเอออ่าอ่าอ่ามีทั้งบอกว่าขาดก็มีไม่ขาดก็มีนะอ่าเอาเดีเ๋ยวฟังต่อฟังเรื่องต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเฉลยกันทีหลังอตอนนี้พอนกยางก็คิดใช่ไหมว่าตะบะไม่ขาดสีไม่ขาดเพราะยังไม่ได้กินลูกแพะเลยเท้าสักกาเทวราชทอดพระเนตรดังนี้แล้วทรงคืนสู่ร่างเดิมเปร่งรัศมีเจิดจ้าทรงติเตียนสั่งสอนนกยางว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการถือตะบะถือสีนของผู้มีนิสัยชั่วร้ายขี้โกงเช่นเจ้า ทั้งใจเจ้าก็เลวสามท่านการประพฤติก็เลวสามหากเป็นลูกแพะจริงไม่ใช่เราเจ้าคงฆ่าลูกแพะกินไปแล้วฉะนั้นตะบะของเจ้าแตกแล้วสินของเจ้าขาดแล้วนะอันนี้นะอันนี้ตามตามเนื้อเรื่องนี้ขั้นทรงกล่าจบก็เสด็จกลับไปยังเทวโลกทันทีนะอันนี้เป็นคำของเท้าสักกะเทวราชนะอันนี้บอกว่าศินขาดแล้ว ตะบะขาดแล้วคือมันต่างกันตรงนี้แล้วกี้นี่ที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันต่างจากเรื่องนี้ตรงที่เรียกว่าจริงๆโดยพฤติกรรมฟังดูดีนะโดยพฤติกรรมของนกยางเนี่ยลงมือแล้วจริงๆไล่จับแล้วต้องแยกให้แตกต่างลงมือแล้วไล่จับแล้วก็จะจับไม่ได้เท่านั้นเองจับไม่ได้คือไม่สามารถเอามากินได้ แต่ถามว่าลงมือยังจริงๆลงมือแล้วเหมือนกับถ้ามีปืนหรือว่าถ้ามีมีดาบเนี่ยฟันเขาแล้วยิงเขาแล้วเพียงแต่มือมันไม่แม่นน่ยหรือหหรือเอ่อฟันฉลับฟันไปพอดีบังเ อ, อิญมันไม่โดนเท่านั้นเองแต่จริงๆเน่ยทําร้ายเขาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่เมื่อกี้อาจามายกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับเอ่ออะไรอ่ะ เขาต้มมัดนะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเข้าต้อมมัดเนี่ยจริงนะถ้าเราตั้งจิตว่าเราจะกินนะตั้งจิตนะว่าจะกินแต่เป็นตาบ้าของเราจริงจริงตั้งจิตว่าไม่กินแต่โอ้โหเห็นแล้วมันเกิดอยากจะกินอย่างเงี้ยถ้าเฉพาะจิตเนี่ยอันเนี้ยใช้ไม่ได้จิต น, นี้ไม่ดีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันยังมาไม่ถึงเราเนี่ยนะหรือว่า เรายังไม่มีโอกาสที่จะได้หยิบเลยเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้กินเลยถ้าอย่างเงี้ยไม่ถือว่าสินขาดไม่ถือว่าตบบะขาดแต่จะถือว่าด่างพร้อยหรือจะถือว่าอะไรไปแต่จะไม่ถือว่าขาดแต่ถ้าลงมือคราวนี้คราวนี้หยิบมาได้แล้วนะยิงแย่งกับเขาเลยก็ยิงชัดเลยแย่งเขามาได้เนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะกินคราวนี้ ก็พอจะกินเนี่ยใช่ไหมถ้ากินนี่มันขาดแน่นอนเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าลงมือเลยคราวนี้สมมุติว่าเกิดมาเหลือเนี่ยเหลือมาถึงข้างหน้าเราเงี้ยสมมุติว่านั่งกันสองฝั่งใช่ไหมไอ้คนนั้นก็จะหยิบไอ้เราก็จะหยิบอย่างเงี้ยแต่บอกแล้วเราหยิบสู้เขาไม่ได้เขาหยิบไวกว่าเราอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยเจตนามันเริ่มชัดเจนแล้วที่ว่าจะกินจะกินให้ได้อ่ะเพียงจะบอกว่า ยิ่งเอาถึงถึงปรากฏว่าเขาก็หยิบเราก็หยิบแหมต่างคนต่างดึงเป็นคนละข้างพอดีแต่เรามือไม่เหนียวเท่าเขาเขามือเดนียวกว่าเขาดึงไม่ได้ใช่ไหมถ้าลักษณะนี้มันชัดเจนพฤติกรรมเนี่ยมันชัดเจนว่าเราต้องการกินให้ได้ถ้าอย่างนี้ถึงจะมาถือว่าสินขาดแต่ทีนี้ต่อให้ได้มานะคุณฟ้าเป็นขั้นๆ น, นะ เราแย่งเข้ามาได้เขาเนี่ยแย่งมาได้แต่บอกแล้วว่ามากลับใจทีหลังเลยมาโอ้ยเราไม่น่าเลยนะแล้วเราก็เลยไม่กินถ้าอย่างนี้เออสีไม่ขาดสีไม่ขาดเพราะว่าตัดรอบสุดท้ายที่กินตัดรอบรอบสุดท้ายที่การกินเนี่ยมันจะเป็นขั้นอย่างนี้แต่ถ้าตอนแรกเนี่ยกุญแจกุญก็ยังไม่ได้จับเลยนะหยิบก็ยังหยิบมาไม่ได้เลยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ พูดง่ายยังยังห่างออกไปขั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้จะมีบทอนุโลมอยู่พอสมควรในในสิ่งในบัญญัติข้อวินัยต่างๆบางทีเนี่ยภิกษุเนี่ยตั้งใจจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่สําเร็จอย่างที่ที่ตั้งใจไว้อย่างเช่นสมมุติจะชักชวนผู้หญิงให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันเสร็นัดแล้วไปกันคนละวันไปกันผิดนัด แต่ชักชวนนะแต่ไปกันผิดนัดเนี่ยเนี่ยผู้จ้าวก็ยกเว้นเพราะผลมันไม่สาเร็จออกมาใช่ไหมท่านก็ไม่ถือว่าศีลขาดอะไรแต่ความผิดอื่นๆอาจจะมีนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าศีลขาดเลยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นรายละเอียดที่จะต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอจิตเรามีแล้วเนี่ย จิตเราเนี่ยไอ้นั่นแล้วแต่แม้ว่าเราไม่ได้ผลสําเร็จอันนั้นก็ต้องถือว่าเราสิ้นขาดเลยไม่ใช่เพราะมันจะต้องมีรายละเอียดที่จะต้องดูด้วยไม่รู้นะก็พยายามที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเผื่อว่าถ้าเราเข้าใจสภาพนี้ได้เราจะได้รู้โอ๋ อ, อถ้าถึงขั้นนั้นถือว่าสิ้นขาดถ้าถึงขั้นนี้สีไม่ขาดถ้าเป็นตะบะอย่างอย่างเช่นบางคนเมื่อกี้เนี่ยที่อาจมาถามว่า แม้เขาจะหยิบมาเนี่ยโอ้โหจะกินละแต่เขาเกิดมาไอ้นั่นได้ใช่ไหมเรากลับใจได้เนี่ยอาจมาถทีบอกอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าสินขาดเลยขณะหยิบมาแล้วด้วยซ้ํำไปมาจอที่ปากด้วยซ้ํำไปแต่เขาไม่กินได้เขายังไม่ขาดเลยสิเพราะเ น, นี่ยเราเราจะต้องเข้าใจอรูปลักษณะต่างๆของนี้โอ้โหถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกนะ เ, เรื่องพวกนี้ยวินัยต่างๆโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเลย บางทีเนี่ย พ, นนพิกอ น, นุนพิกอดีหน่อยนะเป็นมุมนั้นเป็นมุมนี้แล้วใช่สิใช่อันนี้มั น, มนพฤติกรรมมันอะไรนี่มันทำแล้วไงมันทำแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ ไม่ได้คือสูส้เขาไม่ได้อะไรไม่ได้เท่านั้นเองแต่ทําแล้วจริงๆอธิมาถึงบอกเหมือนกับเอามีดไปไล่ฟันเขาแล้วแต่ฟันไม่ถูกเองเนี่ยเอาปืนไปไล่ยิงเขาแล้วไม่ถูกเองแต่ศีลเนี่ยโห้ยแรงถึงขนาดนี้แม้เขาไม่ตายก็เหอนนะแต่ไอถึงขั้นนี้นี่มันมันเจตนาฆ่าเขาตายเรียบร้อยแล้วอะ ค, ค, ค, คือคือมันมันมฆ่าเขาตายเรียบร้อยและ โ, โดยโดยทั้งกิตทั้งพฤติกรรมเนี่ยเพียงแต่บอกแล้วว่า ไอคนนั้นมันโชคดีสังหากัน ท, ที่มันไม่โดนเน่ะถ้ามันโดนมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันชัดเจนเลยว่าว่าอย่างนี้สินขาดแล้วมันจะต่างจากไอคนที่สมมติคิดนะคิดจะไปทําร้ายเขานะคิดจะไปฆ่าเขานะแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าไปแล้วไปยังไงไปอะไปแล้วไม่เจอ <c oughs> เออไปแล้วหาไม่เจอ อะไอย่างเงี้ยแล้วมันก็ในที่สุดก็ไม่ได้ทำอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะไปบอกว่าสินขาดมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ไปแทงยังไม่ได้ไปอะไรเขาเลยแต่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจไปแล้วเตรียมไปพร้อมเลยนะอันนี้พอพอพระเจ้าเนี่ยท่านเล่าอย่างนี้ให้ให้ภิกษุฟังแล้วใช่ไหมพระาศาสดาทรงนาชาดกนี้มาแสดงแล้วก็ตรัสว่าเท้าสักการเทวราชในครั้งนั้น ก็คือเราตถาคตนี้เองแล้วทรงสั่งสอนอีกว่านกอย่างนั้นปราศจากตบะตบะนีก็คือความเพียนเผากิเลสนะนะนกยางนั้นปราศจากตบะต้องการกินเลือดเนื้อของลูกแพะบินไปหมายจับลูกแพะกินได้ทำลายตะบะทำเสรยจแล้วเหมือนเช่นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเลวทราม ในการสมาทานวัดย่อมทำตนให้เขา่าดุดนกยางทำลายตะบะของตนฉะนั้นนะอันนี้จะเป็นเรื่องของตะบะนะผู้เจ้าท่านเล่าให้กับให้ฟังในเรื่องของภิกษุที่มาถือสีนเคร่งแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเหมือนกับนกยางคือในที่สุดเราจะไปไม่รอด นะทั้งๆทงี่ในความเป็นจริงแล้วนี่ขนาดต่อให้ถือศีลถือตาบาได้ดีจริงนะขนาดถือได้ถูกต้องเนี่ยถือได้ดีเนี่ยยังมีกิเลสซ้อนได้เลยถ้าไม่ละมัดระวังนี่ขนาดว่าถือตาบาแล้วก็ทำได้ด้วยตามตะบาอันนี้พระเจ้าท่านมีมีพูดถึงโทษโทษของตาบาเอาไว้นั่นะไม่ได้หมายความว่าคนเรานี่อะไรอะ่ะ ทำตบาได้ดีแล้วทำตบาได้สมบูรณ์แล้วแล้วก็จะหมายถึงว่ามีแต่คุณเพียงอย่างเดียวนะมีโทษได้ด้วยถ้าคนนั้นเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ว่า บ, บําเพ็ญตบาหรือทําตาบานั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะลดกิเลสตัวไหนของตัวเองบ้างถ้าไม่เข้าใจพวกนี้กิเลสตัวอื่นเนี่ยมันจะซ้อนเข้ามาจะซ้อนเข้ามาได้และอันนั้นอาจจะเป็นโทษภัยสําหรับ คนที่ตั้งตบะหรือถือตะบะนั้นก็ได้นะยกตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอุปกิเลสของตบะนะอันนี้คาว่าอุปกิเลสถ้าพูด ง, ง่ายก็คือกิเลสซ้อนอาจามาชอบใช้คำว่ากิเลสซ้อนคือเราถือตบะเพื่อลดกิเลสแต่ปรากฏว่าถือตะบะแล้วมีมีกิเลสตัวอื่นเนี่ย มันซ้อนเพิ่มขึ้นมาได้น ะ, ะผู้จเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าผู้มีตาบะในโลกนี้ย่อมนะหนึ่งถือมันตาบะเป็นผู้ดีใจมีความคิดให้บริบูรณ์ด้วยตาบะนั้นนี้ข้อที่หนึ่งน ะ, ะคนที่คนที่ตั้งตาบะเนี่ยดีใจแน่นอนถ้าถ้าถ้าทำตบะได้นะแล้วก็มี ความคิดที่จะจะให้ตบ่าที่ตัวเองถือเนี่ยมันได้บริสุทธิ์มันได้บริบูรณ์นะพระเจ้าท่านนำมาก่อนว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคนใครๆที่ตั้งตะบ่าต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ข้อสองข้อที่หนึ่งเนี่ยใช้คำว่าถือมั่นตาบ่าจริงถือมั่นตบ่าเนี่ยเจตนาดีนะถือมั่นตบ่าเนี่ยเพราะว่าถ้าจิตมันไม่มั่นเนี่ยบางทีมันมันมันพร้อมจะล้มอ่ะ มันพร้อมจะล้มตะบะเจอนั่นหน่อยเจอไอ้นี่หน่อยก็โอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนหรือว่าเอเอไว้พุ่งนี้พุ่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราถือมั่นตะบะเนี่ยมันจะทําให้มั่นคงแข็งแรงทําให้เราถือถือตะบะเนี่ยสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความถือมั่นตะบะเราเนี่ยมันมีโทษภัยได้นะมันจะทําให้ดูนะยกตนข่มผู้อื่นด้วยตะบะพราะเราทําได้อ่ะ บางทีโอ้โหเนี่ยเราไม่กินขนมแล้วสมมุตินะเนี่ยเราไม่กินขนมแล้วอย่างคนอื่นกินขนมชัดโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังแย่ยังสู้เราไม่ได้เนี่ยยังกินขนมอยู่เลยเนี่ยมันจะเกิดสภาวะจิตนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะซ้อนขึ้นมาทั้งทที่เราถือตบาได้ไหมเราถือตบาได้และอนเนี้ยเป็นโทษอย่างหนึ่งของคนที่ถือมั่นในตบ า, าถือมั่นในการกระทําได้ของตนว่า ฉันทําได้อะฉันไม่กินขนมได้อะ่ะเพราะนั่นน่ะน่ะน่ะแกกินขนมน่ะแกสู้ฉันไม่ได้นี่นี่ น, นเริ่มเป็นโทษภัยแล้วนะกิเลสตัวนี้คือการยกตนข่มคนอื่นก็แล้วนะนันแล้วก็ข้อที่สามมัวเมาลืมสติด้วยจระไน น, นั้นนั้นเนี่ยจะมัวเมาคือจะหลงตัวได้จะหลงตัวว่าเออเรานี่อะไรอะ่ะเหนือกว่าเขา นะ ไ, อไอ้ยกตนข่มเขาเนี่ยมันก็ต้องมาจากนี่แหละเพราะเราหลงตัวนะข้อที่3มเนี่ยผู้เจ้าท่านจะตัดปัาเนี่ยเนี่ยจะมัวเมานะมันจะหลงไปเรื่อยๆนะหลงไปเรื่อยๆนะหลงว่าชั้นเหนือกะแกอยู่เรื่อยๆเลยข้อสี่ดีใจคิดให้บริบูรณ์ลาบสักระสารเสริญด้วยจับะนั้นบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันจะว่าดีมันก็ดีนะ แต่ว่ายิ่งยิ่งทำได้มันก็ยิ่งดีใจยิ่งดีใจเนี่ยก็ยิ่งอยากให้แหมทำตบาาของเราเนี่ยให้ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีแต่มันจะเสียตรงมันมันก็ยิ่งยึดมันก็ยิ่งยึดตะบ่าเราในอันนี้พูดในมุมลบนะยิ่งยึดตบะาเราในแง่ที่เรียกว่าว่าแหมเราต้องทำให้ดีนะอย่าอย่าให้มันตกลงอย่าให้มันมันแย่ลง ซึ่งเราคิดในแง่บวกมันก็ดีสิใช่ไหมก็มปิตินั่นแหละก็ดีใจนี่ก็คือปิติดีใจนี่ก็คือปิติก็เนี่ยคิดให้บริบูรณ์ในลาบสักกะละด้วยตบ้านั้นแต่มันไม่ดีตรงที่เรียกว่ามันจะมาติดลาบสักกะละสร่เสร่งเงี้ยคือมันดีใจนี่แหละดีใจที่เราทําได้แต่ ดีใจที่เราทำได้โดยที่แหมบางทีคนว่าชมเราอ่ะใช่ไหมหรือไม่ต้องมีใครชมแล้วก็ชมตัวเราเองว่าแหนนี่ฉันทำได้นั่เนี่ยคือมันมันมันจะมีโทษภัยก็ตรงมันชักจะมาหลงที่ลาบสักระหรือสารเสริญพวก น, นี้ดีใจเนี่ยมันมันเป็นปิติถือว่าทำได้มันก็ต้องมีปิติมีสุขเกิดขึ้นใช่แต่มันจะไม่มีอุเบกขาสิ น, นี่ มันทำได้แล้วมันไม่มีอุเบกขาทำได้แล้วมันมาติดที่ที่ลาบสารเสริญอะไรพวกนี้นนอันนี้พูดถึงโทษภัยโทษภัยของตะบะที่ว่าบางคนเนี่ยพอทำได้แล้วมันมันจะมาติดที่ตรงนี้อยากให้แหมคนรู้เราบางทีนะนี่นี่ฉันทำได้อย่างนี้นะบางทีพูดเพื่อที่จะให้อะไรอะ่ะคนอื่นเขาแหมมองเราอย่างชื่นชม อย่างเงี้ยเนี่ยเนชักชัติดลาบยิ่งบางคนเนี่ยเขาโอ้โหคนเนี้ยดีจังเลยเนี่ยเนี่อย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้เขาเอาลาบมาให้โดยซ้ําไปนะพร้อมกับถั่วฝักยาวพร้อมกับก็เอาลาบมาก็เอาถั่วฝักยาวเอาผักเอาอะไรมาด้วยเออเขาก็เอามาให้เราเลยยิงยิ่งโอ้โหถ้าใครติดใช่ไหมก็ยิ่งโอ้โหคราวนี้นะไอที่ทำตะบาก็เพราะแหมเรายิ่งทํำนิวโอ้ คนเขาก็ยิ่งแหมเอาไอ้ด้วยเอาไนี่มาให้เราใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคาวนี้ตบ่ามันเริ่มเริ่มไ ม, ม่บริสุทธิ์แล้วใช่ไหมมันเริ่มจะกลายไปเป็นไปติดที่ลาบที่สักกะละที่เ ส, สนเสริญอันเนี้เนี่ยคือโทษภัยของคนที่พอเราทําตบ่าไปแล้วมันจะเผลอเนี่ยมจะมาติดที่ตัวพวกนี้นอันนั้นข้อที่สี่ข้อที่ห้าคราวนี้เหมือนกันยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักกะละ สรรเสริญนั้นข้อข้อนี้จะคล้ายกับข้อสองใช่ไหมข้อสองยกตนข่มผู้อื่นด้วยตะบะอันนั้นยดตอนข่มผู้อื่นด้วยตะบะเฉยๆนะเราทําได้เราบ้นเหนือกับเขาเท่านั้นเองแต่ข้อนี้ยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักระสรรเสริญคราวนี้มันมันบอกแล้วมันเริ่มเพี้ยนแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเราเหนือกับเขาที่ตรงเราทําได้ ทำธรตาบ้านั้นได้แต่เราเหนือกับเขาตรงที่เนี่ยเห็นไหมคนยกย่องสรรเสริญเราเยอะกว่าเขามันเริ่มมาติดที่ลาบสักกะละอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่ว่าที่เราทําได้ดีกว่าเขาเพราะมันมันมีมันมีโล ก, กธรรมมีเรื่องของลาบสรรเสริญอะไรพวกนี้เข้ามาเข้ามาอิงแอบจิตใจเราแหละส่วนข้อที่หนั่นแหละ นะอยยกตนขพ่พคนอื่นเนี่ยก็จะมัวเมาลืมสติด้วยลาบสักกะละสรเสิญนั้นเพราะน้ยิ่งคนเข้ามามีอู้ลาบยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรให้เรานี่มันเมายิ่งเมาเลยคนนี้ยิ่งลืมตัวง่ายเลยตรงนี้ยากมากเลยนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันอดไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าใครไม่มีสติพอเนี่ยมักจะลืมจริงๆก็มันไม่จะเป็นสิ่ง เราลุกคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายเราไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวซ้ำก็เราทําดีอ่ะเราทําดีคนเขาก็ก็แล้วเขามายกย่องเขาก็ไม่ได้ยกย่องอะไรเกินนะเขาก็ยกย่องตามคำเป็นจริงอ่ะโอ้โหคนนี้เก่งนะกินมื้อเดียวก็ได้ไม่ใส่รองเท้าก็ได้อะไรนะมานอนวัดก็ได้หรือไม่กินเนื้อสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความจริงที่เราทําได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ มันไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายซะด้วยสิมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่ระวังเนี่ยมันจะลืมมันจะลืมมันจะเมาได้นั้นขาดสติได้มันจะพอใจจะยินดีกับไอ้ลาบสารเสริญพวกนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็เผลอเลยนะจิตมันจะเผลอมันจะข่มคนอื่นเขาด้วยด้วยไอ้สิ่งที่เราได้รับมาน่จะคนชมบ้างจะคนอะไรอ่ะยกย่องเราบ้างอะไรเนี่ย มันจะเผลอและแล้วมันเผลอง่ายๆจริงๆตัวอ น, นี้ยอดไม่ได้อ่ะจริงๆแล้วอันนี้อาตมาอยากจะยกตัวอย่างว่าไอ้เรื่องที่คนมาพูดง่ายอ่ะพูดยกย่องเราเนี่ยมันเผลอใจง่ายที่สุดเลยคุณ <c oughs> ยิ่งยิ่งถ้าใครยกย่องเราตามความเป็นจริงเนี่ยนะโอ้โหยิ่งเผลอใจง่ายใครยกย่องแบบแบบเวอร์เกินไปนี่นะบางทีเราไม่ค่อยชอบไอ้ น, นี้มันเวอร์เกินใช่ไหมเราบางทีเผลอ มันไส่ไอ้คนมายกย่องที่อีกนะเพราะรู้สึกอย่างนี้มันไม่ไม่จริงใจหรือว่ามันแกล้งอ่ะอะไรอย่างนี้แต่คนที่เขาชมเราจริงๆนะคุณเขาไม่ชมเกินด้วยเขาชมได้ถูกต้องตรงเป๊ะเลยเราเองก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วเขาก็ชมได้ตรงเลยนะโอ้โหมันมันรับเต็มเต็มเลยแ่ะแหมแล้วมันจะแหมมีปิติสุขมีความภูมิใจอย่างมากเลยเนี่ยมันจะเผยได้ง่ายเลยตรงเนี้ย เผลอใจง่ายจริงๆตรงนี้เนี่ยแหละแล้วมันจะลืมสติมันจะหลงได้ตอนนั้นละคุณเอ้ยไม่มีใครมาลูกมาเห็นด้วยเราอแต่หน้าบานใช่ไหมตอนนั้นละโอ้อิม่มอกอิ่มใจมากๆลืมถ้าเผลอแล้วมันจะลืมไปเลยเพราะอย่านึกว่าการได้ลาบสักระสารเสริญเนี่ยคุณอย่านึกแต่ไอ้ที่มันว่อเว่อเกินๆนะตามจริงเลยอะ่ะ ตามจริงเลยตามที่เราควรจะได้ด้วยอันนั้นน่ะที่อาตมาบอกว่าคุณจะลืมตัวได้ง่ายที่สุดเพราะเพราะเราเรามักจะคิดว่าเออเพรเราสมควรนะนะ ม, มันมันเออมันควรจะเป็นไปตามนั้นน่ะสมมุติว่าคุณทํางานหนักเอาวันนี้โอ้โหเราก็ทํางานหนักนะขยันนะ เ, นเหนื่อยด้วยนะคนมาชมโอ้โหขยันทํางานจังเลย น, นี่ยแหม่บางทีเออได้ยินแล้วแหม่แหม่มีความสุขขึ้นอีก นะ่ารู้สึกเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นอจริงๆเลยนะกูจะสังเกตไหมบางอือแรงเพิ่มขึ้นได้ตังเยอะหรืออย่างน้อยๆก็ไปนอนหลับแบบมีความสุขมากเลยนะคืนนี้แม้จะหนักจะเหนื่อยอยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้นจะเผลอได้ง่ายไอ้่วนบอกละไอ้ชมแบบเวอร์เกินไปหรือชมแบบขัดๆนะนะเรารู้สึกโอ้โหวันนี้เราทํางานหนักทํางานมากนะแต่เขามาพูดแค่ดี้หน่อยบอกอขออยันดีนะ เขาพูดแก่ที่เห็นหน่อยเล้รู้สึกใจเราเองนะบางทีอุย๊ยไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเราข ย, ยันกันนั้นนั่งเยอะอบางทีนะไอ้อย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปเผลอไม่ค่อยไปลืมอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่บอกแล้วที่เขาชมได้ตรงตามที่เรารู้สึกตามจริงนั้นเน่ะอันนี้แหละลืมตัวได้ง่ายที่สุดเลยอันนี้ยังเป็นโทษภัยได้นะคุณอย่านึกว่าอเขาชมได้ถูกต้องตรงจริงแล้ว เราก็รู้สึกได้ตามจริงนั้นแล้วคิดว่าไม่เป็นโทษภยัยไม่ใช่นะ